สงสัยอะไรไหมวันนี้พูดเบาๆเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกมันเครียดเครียดไหมไม่เครียดเหรอจริงๆเป็นกลุ่มน่ารักนะกลุ่มน่าเห็นคนโยมที่เขาไปสัมผัสก็บอกน่ารักคนข้างๆทางก็น่ารักก็อาตมาไม่เคยไป <laughs> แต่ถ้าถ้าตรงไหนมีการใช้คำพูดไม่ดีเราก็ไม่ไม่ไปไปร่วมด้วย <c oughs> เขาจะดา่าด่าใครก็แล้วแต่ไม่ด่าด้วยนะเวจีของเราจะไม่มีเวจทีทุจริตออกมาจากปากของเรา <c oughs> ถ้าจะคิดร้ายให้รู้ทันความร้ายในจิต ใจของเราไม่คิดร้ายถ้าจะไปทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่แบบสุภาพชนแบบสุภาพชนเราจะได้ไม่ไม่สร้างเหตุไม่สร้างเหตุแห่งอกุศลทั้งหลายไปแล้วก็ไปด้วยจิตที่เป็นกุศลถ้าจะพูดก็พูดคำ คำอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดสี่อย่า ง, างคำคำพวกนี้นี่อาตอมาพูดบ่อยนะไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอร์แต่พอไปรวมกลุ่มใหญ่ๆแล้วไอ้เพอร์เจอร์เนี่ยระวังยากใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็อย่าไปทำผิดอีกสามอย่างก็แล้วกันไม่พูดโกหกโกหกเนี่ยถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คงไม่ค่อยโกหกกันละ เหลืออยู่แต่พูดยุแยงให้เขาแตกกันหรือไม่ก็พูดให้เขาเจ็บใจคำว่าเจ็บใจเนี่ยนะต้องเป็นคำหยาบที่แบบตั้งใจให้เขาเจ็บใจถ้าเป็นเพื่อนกันเจอกันเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นี่นั น, นมันไม่ได้ตั้งใจให้เขาเจ็บใจแต่เป็นความคุ้นเคยแต่ถามว่าคำนั้นเนี่ยเป็นวาจาที่ไม่สุภาพเท่า น, นั้นเองแต่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเจ็บใจมันไม่เข้าหลัก ของวจีทุจริตแต่ถ้าพูดเพาะเพะกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนอาจจะมาไม้ไหนวะเนี่ย <Okay. S 1> เพราะว่าตั้งแต่ครอบกนมาไม่เคยพูดเพาะเลยอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แต่คำพูดพูดไม่เพาะที่เป็นคําไม่สุภาพนั่นอนะ่ะมันแสดงความคุ้นเคยในหมู่เพื่อนก็เฉพาะหมู่เพื่อนนี้นะอย่าไปใช้กับที่อื่น <c oughs> <c oughs> ระวังก็แล้วกันจะไปจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ ระวังอย่าให้เกิดอกุศลเกิดขึ้นจะไปทำอะไรให้รู้ว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรเหมือนยังทำกรรมฐานน่ยนะจะทำอะไรเพื่ออะไรและขณะนี้เนี่ยทำอะไรอยู่ตรงนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะกำลังดูลมหายใจจิตไหลามาอยู่กับลมหายใจรู้ว่ากำลังทำสมถะใช้ได้นะ ใช่อย่างนี้นะรู้ว่ากําลังทําสมถะเพราะว่ารู้เรียนมานานแล้วว่าการทําสมถะคือการที่เอาจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง น, น, นานๆอย่างมีความสุขมาดูลมหายใจจิตหลายมาอยู่กับลมหายใจอย่างมีความสุขรู้อยู่ว่าขณะนี้กําลังทําสมถะใช้ได้แต่ถ้าหลายมาอยู่กับลมหายใจจดจ่ออยู่ลมหายใจคิดว่ากําลังทําวิปัสสนาใช้ไม่ได้ไม่มีสัมพัชัญญา <Yeah. S 1> ถ้าเห็น เดินไปเห็นเท้ากระทบพื้นจิตหลายไปลงอยู่ที่เท้ารู้ว่ากำลังทำสมถะใช้ได้เข้าใจั้มจิตหลายออกไปฟุ้งซ่านออกไปตอนฟุ้งซ่านขาดสติรู้ทันว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านรู้ว่าขนาดนี้กำลังเจริญสติใช้ได้ <c oughs> ตัวที่ใช้ได้ก็คือว่าเรา เราเรียนมาจากครูบาอาจารย์หรืออ่านหนังสือหรือฟังซีดีหรือมาฟังสดๆกับครูบาอาจารย์แล้วประมวลได้ว่าหลักการปฏิบัติเป็นอย่างไรแล้วขณะนี้กำลังทำอะไรเราจะทำความสงบก่อนรู้ว่าจะทำสงบทำอย่างไรแล้วทำเราจะทำให้เกิดปัญญาจะทำอย่างไรแล้วทำานะตรงนี้เรียกว่าทาด้วยสติและสัมปชัญญะประกอบกัน รู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรสติกับสัมพันัญะเนี่ยพอตอนลงมือปฏิบัติเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกตอนอธิบายเนี่ยอธิบายได้อะไรคือสติอะไรคือสัมพันธัญะ <Okay. S 1> สติคือรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสัมพันัญญะคือรู้ว่ากาลังทำอะไรเพื่ออะไรและขณะนี้กาลังทำอะไรอยู่แต่พอตอนตามจริงเนี่ยมัน แยกไม่ออกใช่ไหมก็แค่รู้ไปว่ากำลังทำอะไรขณะนี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนในหลวงในหลวงเวลาจะบอกให้ข้าราชบริพารคนทำงานของท่านเนี่ยเวลาจะทำงานอะไรให้มองเขาเรียกมองอะไรแมโครมหาภาคมององค์รวมมององค์รวมว่า จุดมุ่งหมายของเราจะทําอะไรกระบวนการต่อไปนี่จะทําอะไรยังไงแต่พอตอนลงมือทําจริงเริ่มจากจุดเล็กๆไปพัฒนาตรงนี้ไปพัฒนาตรงนั้นเริ่มจากจุดเล็กๆ ก, กรรมฐานเหมือนกันมององรวมก่อนว่าเริ่มต้นจากตรงนี้จนถึงทางพ้นทุกเนี่ยทำอะไรบ้างกรรมฐานมีสองแบบแต่ละแบบทํำยังไงกระบวนการที่เกิดปัญญาทํำยังไงเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาทํำยังไง ถ้าจะอยู่กับโลกอยู่กับสังคมต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันยังไงบ้างมีวินัยกับโลกกับวินัยกับเพื่อจะพ้นทุกทากันยังไงเรียนสโคบกว้างๆแต่พอจะทำจริงๆดูขณะปัจจุบันแต่ละขณะจุดเล็กๆไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่กูจะพ้นทุกสักทีดูลงปัจจุบันดูขณะเล็กๆเล็กนิดเดียวปัจจุบันมีนิดเดียวบางๆเล็กๆ ดูจากตรงนี้นะตรงกับในหลวงเลยในหลวงบอกว่าเวลาจะพัฒนานะให้มองมุมกว้างมององค์รวมแต่พอจะลงมือพัฒนานจริงเริ่มจากจุดเล็กๆเราก็มององค์รวมของเราว่าเราจะไปสู่ความปนทุกข์แต่พอลงมือจริงๆดูปัจจุบันเล็กๆบางๆแป๊บเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีสติและสัมปชัญญะเนี่ยเริ่มไปนะ พอเห็นมันไหลไปได้สมาธิด้วยเห็นมันไหลไปก็เล็กๆนะแป๊บเดียวเห็นมันไหลไปแป๊บเดียวถ้าเห็นนานๆนะไหลออกไปยาวเลยไหลไปแล้วเรียบร้อยแล้วแต่เห็นตอนมันไหลไปเนี่ยมันแป๊บเดียวตอนมันไหลไปนั้นแป๊บเดียวขณะที่ไหลนะี่ยถ้ารู้ทันตั้งมั่นพอดี <Yeah, yeah. แต่ถ้ามันไปนู่นแล้วก็คือยาวแล้วไปสู่จุดหมายแล้วไปสู่อารมณ์ที่ไปสนใจซะแล้ว ันเริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มจากจุดเล็กๆปัจจุบันนี้ขณะ น, นี้แป๊บเดียวนึกถึงบุนกุศลที่เราได้ทำน ะ, ะการให้ทานการรักษากายวาจาให้เป็นศีลของเราแล้วก็การปฏิบัติบูบชาการภาวนาการฟังธรรมการแสดงธรรมทั้งที่ผู้ฟังและผู้แสดง บุญนันใดที่พวกเราในที่นี้ได้ทําแล้วมีความดีใจพิจิใจอย่างไรในบุญนั้นขอแบ่งบุญนั้นให้กับขอนาเอาบุญนี้บูชาพระรัตนตรยัยบูชาพระพุทธเจ้าผู้รู้ธรรมเห็นธรรมตัสรู้เองโดยช่อบของพระองค์เองแล้วบอกทางพ้นทุกข์ให้กับพวกเราด้วยขอบูชา ทำที่พระองค์แสดงที่ทําตามคําสอนของพระองค์แล้วสู่ความพ้นทุกนั้นขอบูชาผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วปฏิบัติตามและพ้นทุกตามพระองค์บูชาพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กําเนิดทําให้พวกเราได้อยู่จนได้ฟังธรรมอันประเสริฐอันนี้ ขอบูชาผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้เกื้อหนุนเอื้อเฟื้อพวกเราให้มีความบริบูรณ์อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้บูชาเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ที่ดูแลรักษาประเทศชาติดูแลรักษาพวกเราอยู่ขอให้เทวดาเหล่านั้นจงมีกาลังในการที่ปกปักรักษาบ้านเมืองอันนี้ให้มีพระศาสนาสืบทอดต่อไปจนถึง รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตให้พระธรรมอันนี้ยังคงอยู่ในแผ่นดินนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาไปไม่เบียประมาณสัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่ขอจงรับรู้ว่าพวกเรานี่ น, นี้แบ่งบุญกุศล น, นี้ให้กับท่านท่านจงดีใจอนุโมทนาบุญที่เราแบ่งให้นี้จงมีความปลื้มใจปิติใจเหมือนท่านได้ทำเอง เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมงไปสู่สุขติแผ่ไปไม่มีประมาณกับสารโลกทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งย่งขึ้นไปเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติศึกษาถ้อยคํำของพระพุทธองค์พัฒนาจิตใจของแต่ละคนให้สู่ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเยตาวะริวะปุราปริปเรนติสากะรัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชันใดเอวเมวัยโตที่นั่งเปตานังอุปกัรปติทานที่ทานุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะ น, นั้นอิจจิตังปฏิตังตุมหังขอใหิตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปเมวสัมมิชชตจตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน สัพเพปุเรนตุสังกป่าขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณิชติระโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีประวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพระเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโศติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ